ตอนนี้ไปขอให้ศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบหลวงพ่อเขคงจะกล่าวสัมโมในยกระถาไม่นานนะพอมีเวลาจำกัดและก็พร้อมกันหลวงพ่อเองอได้มาร่วมในงานในวันนี้ก็เนื่องจากท่านครูบาสมชายที่เป็นลูกหลานรบุรีของเรานี่แหละท่านมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจท่านช่วยเหลื อ, อในสถานที่ต่างๆ ถ้าก็อยากจะให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้เพื่อเป็นเสียงธรรมะเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนหลวงพ่ อ, อท่านได้ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีเจ็มีจิตใจมุ่งมั่นอย่างนี้อยู่แล้วและ อ, อีกอย่างหนึ่งหลวงตามหาบัวอย่างที่พวกเรารับเคารพนับถือในองค์ท่านท่านก็ไฝ่ ธรรมะหรือว่าอบรมธรรมะ ภ, รรมะภาคปฏิบัติให้แก่พี่น้องประชาชนมาโดยลําดับไม่รู้ว่ากี่ปีมีทั้งเทปมีทั้งหนังสือมีทั้งปฏิบัติตัวอย่างให้พวกเราได้ศึกษาได้รู้ได้เห็นแล้วก็หลวงพ่อเองก็ในนามของลูกศิษย์ขององค์หลวงตาหลวงพ่อเองหลวงตาท่านก็ให้ดูแลเรื่องสถานีวิทยุท่าน ให้พระที่เป็นลูกศิษย์ท่านแต่งตั้งขึ้นมาทั้งหมดมีอยู่9รูปนะในเกรูปนั้นหลวงพ่อในนามองค์หนึ่งแล้วก็หลวงพ่อเองคณะพวกหมู่คณะทั้งหลายก็ให้หลวงพ่อเป็นเลขางั้นเถอะเออเลขาเรื่องเกี่ยวกับสถานีวิทยุเออเลข า, เ, าเรื่องนะกองทุนของมูลนิธเออเสียงธรรมเพื่อประชาชนเพราะนั้นหลวงพ่อเอง เห็นว่าสถานีวิทยุเสียงธรรมขององค์หลวงตาเนี่ยเป็นกระบอกเสียงหรเป็นการเผยแผ่ธรรมะสู่พี่น้องประชาชนอย่างดีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ทุ่มเทมเมื่อปีที่แล้วเมื่อหลวงพ่อได้กระถิ่นนะแล้วไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้หลวงพ่อจะทําเป็นอย่างอื่นปีนี้เ ค, คือจ ะ, จะทําถนนเข้าเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วแล้วก็สร้างสาราวัดป่าพี่ไมยหลวงพ่อได้ถวายองค์หลวงตาไปไม่มาก แต่ปีที่แล้วหลวงพ่อไม่ได้คิดแผนการใหญ่พอกรถิ่นจบเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ถวายองค์หลวงตาเพื่อสถานีวิทยุและกับปีก่อนหน้านั้นหลวงพ่อเอาจตุปัจจัยที่เหลือจากเจดีย์ของคุณแม่ชีแก้วถวายอีกเพื่อสนับสนุนกองทุนจุดนี้เพื่อจะให้กองทุนจุดนี้ค้าสถานีวิทยุขององค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้ทุ่มเทเกี่ยวกับสถานีวิทยุ มาโดยสม่ำเสมอตลอดก็ว่าได้แล้วมาปีนี้เองในบริเวณที่หลวงพ่ออยู่คืออาเภอนาอยมันมีภูเขาภูพานขั้นอยู่และสถานีวิทยุของหลวงตาจะฟังได้เวลากลางคืนถ้าว่ากลางวันเข้ามาและสถานีอื่นเข า, เ, าเขาเปิดนะสถานีของหลวงตาจะไปไม่ได้ไกลเพราะสถานอีกอื่นเขาสกัดกั้นตอนกลางวัน ถ้าเลยหถุ่มไปแล้วหลวงพ่อก็เปิดก็ได้ยิ น, นเสียงธรรมขององค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าจุดนั้นเป็นจุดบอดในอำเภอหลายอำเภอที่ฝากเขาภูพานไปทางทิศตะวันตกหลวงพ่อก็เลยพูดกับศรัทธายายมเขาก็มีศรัทธาก็เลยตั้งสถานีวิทยุขึ้นที่วัดหลวงพ่อแห่งหนึ่งสูงเสาสูง60เมตรแล้วก็เครื่องส่งห่กิโลวัตต์ แกคิดว่าคิดน่าจะเพียงพอในบริเวณแถบนั้นเพราะนั้นเรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตานี่หลวงพ่อไม่ได้มองข้ามเห็นว่าเป็นกระบอกเสียงเป็นเครื่องเผยแผ่ธรรมะสู่พี่น้องประชาชนอย่างดีแต่สถานีอื่นเขาเขาก็มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน ร, แบบรูปแบบต่างๆบางครั้งบางคราวก็ทําให้โลกหลานของเราจิตใจไว้เผลไปตามเรื่องของการโฆษณาด้วย แต่ถ้าทำคำสั่งสอนที่หลวงตาประกาศไปเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่แต่ของหลวงตาองค์เดียวเป็นแนวความคิดของพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ท่านอยู่ในปา่าโดงพงไพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงองค์งหลวงปู่มันเป็นลูกศิษย์สายขององค์หลวงตามหาบวัวเพราะนั้นธรรมะในสถานีวิทยุจึงเปิดเป็น24ชั่วโมงไม่ให้มี การร้องรำทำเพลงเพราะว่าสถานีอือ่นๆเป็นร้อยเป็นพันสถานีมีอยู่แล้วที่จะเปิดร้องรำทำเพลงที่จะเป็นธรรมะลุล้วนนั้นหาได้ยากเพราะนั้นในเครือข่ายในสถานีขององค์หลวงตาจึงมีธรรมะลล้วนเพราะนั้นพวกเราพี่น้องสาธุชน ท, ทุกท่านถ้าหาว่าอยากจะฟังธรรมะภาคปฏิบัติแล้วก็ให้เปิดฟังเข้ามาสถานีของเครือข่ายทององค์หลวงตา พวกเราจะได้ความรู้แนวความคิดเป็นการชี้นำทางด้านจิตใจวันนี้นับว่าเป็นวันมงคล ม, งมหามงคลอย่างยิ่งที่สถานีจังหวัดลบบุรีของพวกเร า, เาได้เปิดเป็นทางการก็ว่าไดา้แต่ก่อนก็เปิดขึ้นมาแล้ว เ, เป็นการเปิดแบบไม่เปิดเผยแต่ก็ได้ยินเป็นที่รู้กันแต่วันนี้แจ้งข่าวให้ส่วนราชการทุกหน่วยทุกเหล่าแล้วก็มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นะท่านรองได้มาด้วยแ ล, วแล้วก็ท่านพิพากษาสารอุทธรแล้วก็ท่านพิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อกี้นี้จากนั้นก็ได้มีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกเหล่าตลอดถึงโรงล่าโรงเรียนวิทยาลายัยหัวหน้าส่วนราชการได้มาร่วมกันฟังๆโดยแล้วก็หน้าอบอุ่นถึงจะมี ประชาชนมาไม่มากที่หลวงพ่อไปเห็นในสถานที่ต่างๆคือคนมามากแต่วันนี้เป็นวันเปิดราชการนะเป็นวันทํางานหลวงพ่อก็น่าเห็นใจมาได้ขนาดนี้ก็หลวงพ่อว่าก็มากแล้วนะเออมากแล้วแต่ถึงยังไงก็ขอแจ้งข่าวหรือบอกขอบอกกล่าวให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนีรับทราบวัฏฐานีวิทยุแห่งนี้ที่คณะกรรมการจะมอบให้หลวงพ่อเป็นองค์อุปถัมภ์หรือเป็นผู้ รับรู้รับทราบหลวงพ่อก็ยินดีพอหลวงพ่อเองไปในสถานที่ต่างๆอย่างเมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อก็ลงไปที่จังหวัดภูเกตเ็ตแล้วก็ไปเปิดสถานีวิทยุที่วัดหลังสารอ่านนั้นก็ให้ได้ยินทั่วเกาะภูเก็ตพังงากระบี่แถบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงพ่อว่าการให้ทำเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวงอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วคือการให้ทรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงถ้าหาคนขาดธรรมะคนขาดแนวความคิดที่ดีอยู่ในชุมชนและสังคมก็จะทำให้ชุมชนและสังคมนั้นเดือดร้อนถ้าว่าชุมชนและสังคมใดมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีชุมชนและสังคมนั้นมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขการให้ธรรมะ ก็คือการชี้นําทางด้านจิตใจให้คิดอย่างนี้นะเมื่อคิดดีแล้วการพูดก็ดีการกระทําก็จะดีด้วยแต่ว่าความคิดไม่ดีธรรมะคือไม่มีในใจิตใจคนคนนั้นจะเป็นคนดีหาได้ยากอย่าง yeah. mm hmm. พวกเราท่านทั้งหลายอย่างเมื่อเป็นคารวาัตพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าให้มีคารวัตธระทำทำของคารวัตสี่อย่างสัจจ์ <Yeah. S 1> การอยู่ด้วยกันให้มีสัจจ์คือความจริงใจต่อกัน ถ้าว่าคนขาดสัจจะคนไร้สัจจะการอยู่ด้วยกันโพดอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งรับปากอย่างหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างนี้แปลว่าคนไร้สัจจะเมื่อคนไร้สัจจะดูดอยู่ด้วยกันจะหาความสัตย์จริงหาความสงบเป็นสุขไม่ได้ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงจะรับปากไปแล้วก็ไม่ไว้ใจเพราะเหตุไรเพราะคนนั้นขาดสัจจะเพราะนั้นถ้าทุกคนมีสัจจะความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนจะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมในกลุ่มนั้นๆ นี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจจะธรรมะให้รู้จักขม่มจิตเขาจิตใจของตนธรรมดาคนเราจะมีความโมโหโทโศโกธาเป็นธรรมดาแต่ถ้ามีธรรมะคือความข่มใจของตนเอาไว้ถ้าเราคิดขึ้นมาแล้วเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าหรือมันไม่จริงหรือเปล่าคือเราข่มไว้ซะก่อนพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุผลซะก่อนถ้าว่าคนมีธรรมะข่มรู้จักข่มใจของตนแล้วนั่นแหละต่อไปก็จะกันกรองเหตุและผลเข้ามา คนนั้นการอยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลเมื่ออยู่ด้วยกันด้วยเหตุผลก็มีความสงบพร่มเย็ยนเป็นสุขขึ้นมาได้อันนี้ว่าธรรมะขันติคือความอดทนเราทาหน้าที่การงานอะไรอยู่มีหมู่มีคณะก็ต้องมีความอดทนเป็นธรรมดาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีความอดทนมีโูกมีเต้ามีบริษัทมริวาร อ, อ, อยู่กับใครๆก็ตามต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐาน แล้วการทำการทำงานก็มีเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องมีความอดทนคนที่มีความอดทนสูงความมีความอดทนคือขันติคือความอดทนจะประสบความสาเร็จได้ในระดับมากทีเดียวเพราะว่ามีขันตินะและกระจาคะให้รู้จักเสียสละในชุมชนและสังคมถ้าว่าคนใดก็ตามไปอยู่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นอยู่แล้ว ไม่มีการเสียสละไม่รู้จักพอ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพี่จักน้องไม่จักรูก้ไม่รู้จักวงสาคานายาติเป็นผู้มีจิตใจแับแคบขี้ตนีทีเหนียวในชนกลุ่มนั้นคณะนั้นครอบครัวนั้นจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะพอ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นคนไม่มีการเสียสละไม่มีจาคะเพราะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าวะทำครวาตธรรมคำธรรมของครวาตสี่อย่างคือ สัจจะให้มีความจริงใจต่อกันธรรมะให้รู้จักข่มจิตของตนคันติให้มีความอดทนจาคะให้มีการเสียสละในเพื่อนมนุษยชาติอย่าไปเห็นแก่ตัวจนมากเกินไปอันนี้คือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนคราวาตัตจากนั้นท่านก็สอนทรรมของคราวาตัตเป็นข้อๆนะแต่ mm hmm. ว่าทิฏฐธรรมมีกต่ประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันสีอยา่าง อุทาณะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรคะสัมปทาให้รักษาทรัพย์หน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ที่ได้มาแล้วอย่าให้เสื่อมเสียไปให้ตั้งตนเป็นคนดีรักษาคุณภาพรักษาทรัพย์สมบัติของตนเอาไว้อันนีกว่าอรคะสัมปทากัลยาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคด ค, คนคนที่คดโกงอย่าไปคบคนที่ไม่ดี ถ้าไปครอบคนที่ไม่ดีอีกสักวันหนึ่งเราก็พลอยเป็นคนที่ไม่ดีไปด้วยเรียกว่ากัลยะาณมิตรตาสัมมาชีวิตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ที่ชอบไม่หลอกลวงเขาไม่พลดไม่คดไม่โองเขามาเลี้ยงชีวิตครอบครัวของเรานี่แหละทำของคระวญที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นข้อๆนะเะที่ยว่าพุทธานะสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันนี่หลวงพ่อเอานํามาแนะนําสั่งสอน ญาติโยมพี่น้องประชาชนหลวงพ่อรวบรัดลงมาว่าการสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์นั้ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้จะใช้ทรัพย์อย่างไงจึงจะเกิดประโยชน์ เ, ออเวลาเก็บเก็บอย่างไงจึงจะเป็นประโยชน์เวลาหาหาอย่างไรที่หาในทางที่ถูกต้องนี่แหละให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ถ้าบวกพวกเราบริหารทั้ง3อย่างนี้ถูกต้องสมดุลกันแล้วความสงบพร่อมเย็นเป็นสุข ก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมเข้าทํานองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราท่านว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะเศรษฐกิจพอเพียงได้เพราะว่าพวกเราหมั่นขยันให้รู้จักหาเมื่อหามาแล้วให้รู้จักเก็บเก็บยังไงถ้าเก็บไม่รู้เก็บไว้ทั้งหมดไม่รู้จักแบ่งใครเลยนะไม่ให้ไม่รู้แบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่ ง, งลูกแบ่งเมียแบ่งบ่งสามีนาญาติกเก็บไว้ทั้งหมดก็ไม่เกิดประโยชน์นะ ถ้าเราใช้เอเลอ็กทรอนิกส์ช่ยแชกได้มาแล้วใช้จ่ายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ก็ต้องคิดให้ดีว่าใช้เกิดประโยชน์ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แหละให้รู้จักหาและให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้ใช้ใหเพียงพอสมมุติว่าเราเป็นข้าราชการระดับไหนหรือเป็นพ่อค้าระดับไหนหรือเราครอบครัวของเรารได้เดือนละเท่าไหร่เราจะใช้เดือนละเท่าไหร่ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่า สามีภรรยาที่เป็นเจ้าของหัวหน้าครอบครัวนัานๆเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราใช้เกินตัวก็ทําให้ครอบครัวของเราละสมละสายเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้รู้จักเก็บเก็บเพื่ออะไรเราก็ต้องคิดว่าเก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่ออนาคตของเราต่อไปภายภาคหน้าอถ้าว่าเรามีอุปสรรคเกิดขึ้นในครอบครัวของเราพ่อแม่พี่น้องลูกเมียสามีภรรยาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างเนี้ย เราเขจะได้ใช้เงินก้อนนี้อันนี้เก็บไว้เพื่ออนาคตเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนเก็บเอาไว้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนทะ่านไม่ให้สุรุย่รยชั่วไล่ให้หรู้จักประมาณในการเป็นอยู่เพราะฉะนั้นพร้อมกันก็อย่าลืมศีลธรรมถึงพวกเราจะทําดีในฆราวาสธรรมขนาดไหนนะถึงเราจะทําดีขนาดไหนการทํามมาหาเลี้ยงชีพจะสมบูรณ์ขนาดไหน จะเลี้ยงร่างกายของตนดีขนาดไหนประคับประคองร่างกายไปหาหมอหาหมอ ด, ดีขนาดไหนจะออกกําลังกายดีขนาดไหนจะเลี้ยงร่างกายด้วยอาหารการบริโภคทุกอย่างยุกยาทุกอย่างที่เรารักษาร่างกายและการเป็นอยู่ของเราขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราก็จะจําใจต้องจํำลาจากโลกความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงเราอยู่อันนี้เราก็ต้องคิ ด, คดไว้อีกเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่คิดจะอยู่ทางโลกอย่างเดียวไม่ไม่ใช่ว่าเราจะคิดแต่อยู่ในโลกอย่างเดียวเราต้องคิดหนีออกจากโลกด้วยเมื่อคิดออกหนีออกจากโลกเราจะคิดยังไงให้รู้ว่าอีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องจำใจจากต้องจำใจลาโลกวัฏสงสารเหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้นตระกูลของพวกเราที่จำใจจำจาก โลกนี้ต่อมาก็คงจะไล่เลียงมาถึงเราอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องลาโลกอีกเหมือนกันเมื่อลาโลกไปแล้วเราจะไปที่ไหนในหลักของพระพุทธศาสนาตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์แล้วที่โคนต้นโพเมื่อ 2,500 กว่าปีท่านท่านนั่งสมาธิจิตของโค้งเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเมื่อจิตความเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งพระพุทธองค์รู้ได้ว่าปุเพในวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้ ตายแล้วไม่สูญเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะทางโลกทางโลกเขาจะให้ขาดตกบกพรองทางธรรมะทางด้านจิตใจเราก็ควรจะคํานึงคิดถึงไว้อยู่เสมอว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบุญกุศลเราควรจะสังสมเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุญญานิปัลโล ก, กัตสมิงปฏิฐาหนติปานินังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัพพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่าน ควรจังสมบุญกุศลแล้วก็พร้อมกันคราวาตญาตโยมและการคองชีพการส่อแสวงหาปัจจัยสี่ยศฐาบรรดาศักด์ด้วยความมันความขยันอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วก็คราวาตัตธรรมก็ให้มีอยู่ในพวกเราท่านทั้งหลายาและก็ทิฏฐธรรมิเกตดประโยชน์หนึ่งประโยชน์ในปัจจุบันอุทนาอรักขา การะยานามิตรสัมมาชีวิตาก็ย่ให้ขาดตกบกพร่องก็พร้อมกันก็ให้หมุ่งเน้นเรื่องศีลธรรมทางด้านจิตใจให้ทานศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาทำสงบจิตสงบใจเป็นการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าเราตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้ได้มาร่วมกัน เ, เปิดสถานีวิทยุ ก, ก็พร้อมกันก็เพื่อหาทุนนะ เ, เพราะาสถานีของเรานี่ ยังดูๆูแลก็ยังจิบจ่อยอยู่ถ้าว่าพี่น้องสาธุชนท่านใดพอมีกำลังนะหลวงพ่อว่ามาเสียสละทุ่มทุนลงไปเพื่อให้สถานีวิทยุแห่งนี้เป็นผึกแผ่นขึ้นมาเป็นการประกาศและเผยแผ่ธรรมะเข้าสู่ใจพี่น้องประชาชนเป็นบุญกุศลมหาศาลนะหลวงพ่อว่านะให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงการจะให้สิ่งให้ของข้าน้าโภชนาอาหารพระพุทธเจ้าว่า สู้ให้ทําเป็นฐานหมนี่ให้ทําเป็นฐานคือการชี้นาทางด้านจิตใจชี้ผิดชี้ถูกสิ่งที่ไม่ถูกอย่าทำนะจุดนั้นไม่ทําไม่ดีจุดไหนที่มันถูกเดินทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนเพราะนั้นท่านจึงว่าให้ทําเป็นฐานให้ธรรมะคือความคือหลักเหตุผลคือทำคือสิ่งที่ถูกต้องเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนแล้ว นั่นแหละพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าก็จะประสบความสุขความเย็นใจเพราะมีธรรมะใน จ, ใจิตใจเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้กล่าวสโมโณีกระถาเป็นเครื่องชักชวนชักนําให้แก่พี่น้องประชาชนให้ช่วยๆกันเนะสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเนื้อนาบุญหลวงพ่อว่านะพร้อมกันก็ให้มีให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะอย่าให้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเงินรั่วเงินไหลลักษณะอย่างนั้นนะ พ่อหลวงตาของเราไม่ชอบอย่างมากๆพ่อหลวงตาเนี่ยเป็นผู้เสียสละแหมอย่างเสียสละอย่างมากๆหลวงตาเนี่ยทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพ่อหลวงตาเนี่ยเมื่อได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วนะเอาเข้าคลังหลวงจากนั้นก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมพวกเราติดตามผลงานของหลวงตาไปแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ว่าหลวงตาทําคุณประโยชน์เท่าไร่ไม่ใช่เป็นร้อยๆพันๆ น, นะงั้นจว่าจะเป็นจะว่าเป็นหมื่นล้านก็ว่าได้ผลที่สุดท่านก็นยังพูดอีกว่า ท่านจังเขียนพินัยกรรมขึ้นมาให้พวกศิษยาณุสิษย์บอกไว้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเราตายเงินทรัพย์สมบัติที่เขามาถวายหรือมาร่วมในงานศพของเราเงินจำนวนนั้นทั้งหมดให้ซื้อทองคําช่วยชาติอย่าเอามาเผาอย่าเอามาใช้ใจ่ายในงานศพของเรางานศพของเราไซฟฝืนเผาอย่าเอาเงินมาใช้ให้เอาเงินที่เขามาบริจาคนั้นซื้อทองคาเข้าคังหลวงทั้งหมดนะ เห็นไหมล้มตาท่านขนาดไหนพวกเราฟังดูกันแล้วกันท่านสงเคราะห์โลกไม่ใช่สงเคราะห์ธรรมดาแปล ว, ว่าสงเคราะห์จนหยดสุดท้ายแบบนั้นเถอท่านจยดสุดท้ายเถอะว่าเมือ่อเราตายไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ญาติโยมพี่น้องประชาชนมาทําบุญในงานศพของเราให้นําเงินเหล่านั้นเข้าคลังหลวงอย่าเอามาใช้ใจ่ายในงานศพของเรานะมีองค์ไหนที่ทําได้อย่างนั้นครูบาอาจารย์องค์ไหน พี่น้องประชาชนท่านใดที่เขียนอย่างนั้นนอกจากหลวงตาหลวงพ่อไม่มีนะไม่มีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านต้องดูเจตนาของหลวงตาเพราะนั้นเราทำงานเกี่ยวกับสถานีของหลวงตาให้ขาวสะอาดบริสุทธินะอยู่น่าสถานที่ใดอย่าให้มีตำหนิติเตียนว่ามีมัวมองมีที่รับมีที่แจ้งใช้เงินผิดประเภทไม่ถูกประเภทอย่างนี้นะอย่าให้มีนะ อันนี้หลวงพ่อฝากไว้กับลูกหลานทุกๆท่านไป น, นสถานที่ใดก็เคยได้ยินอย่างนี้เพราะนั้นสถา น, นีที่ใดที่หลวงพ่อไปที่ภูเก็ตหลวงพ่อกขาบอกอย่างนี้เหมือนกันนะแล้กว่าไปสถา น, นีไหนก็ตามผมว่าเออถ้าว่ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมเอามาถวายตุตุ ป, ปัจจัยกขอให้เปิดเผยให้เป็นที่รู้กันถ้าใครอยากจะทราบก็ให้ชี้แจงให้เขารับรู้รับทราบเพราเงินนี้เป็นเงินของกลางเป็นเงินทําบุญเป็นเงินสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน ให้เป็นเงินขาวบริสุทธิ์สะอาดเป็นเงินธรรมะจริงๆอย่าให้มีกิเลสอะไรโรคโรคหัว โ, โมพะนะเข้ามาเคลือบแฝงนะอันนี้หลวงพ่อ ข, อขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านอา่าเป็นหูเป็นตาช่วยการร่วมกันเสียสละด้วยด้วยร่วมกันนะอ่ะตอนนี้ไปหลวงพ่อได้กล่าวสมโภชยักข า, าก็เห็นว่าสมควรต่อไปก็คงจะมีการทอดภาป่านะนะั้นที่นีนะเทกับเป๋าใส่กันรู้ทีว่าจะเอาได้มากกว่าเท่าไหร่วันนี้นะ เอาได้สัก1ิบล้านนะลูกพ่อวานะสาธุตัดขอบพระคุณแสดงว่าคุณหลวงพ่อยินถวายสันตุสก น, นะครับที่น้องสาธุชนครับเด็กๆหนูๆที่อยู่ข้างหลังได้ไปก็ตามมาข้างหน้ากันนี้ให้หมดนะลูกนะมารวมพลังกันเดี๋ยวเราจะได้กล่าวทำถวายพระป่าพร้อมกัน คะแนนนี้ยอดของปุมพระป่าทราบเพียงคร่าวๆว่าเริ่มต้นว่า 150,000 แล้วนะครับ 150,000 แล้วจะมีจะมีขันอีกไหมต่อยอดอีกไหมถ้าต่อยอดอีกสักหน่อยก็ดีนะพอเราได้มาทั้งทีแล้วเนี่ยมากน้อยไม่ว่ากันให้ในร่วมให้ในร่วมกันในทอดผ้าป่านะ เอ อ, อ, อข้อทอดคือมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่หลวงของพออินนะเป็นของพี่น้องประชาชนค่าแอร์บัง้งค่าไฟฟ้าบัง้งเอ่อค่าคุณดูแลบารุงรักษาบังเอ่อเหล่านี้ย อ, อจะต้องมีและก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่างที่หลวงพ่อว่านะนะให้มีกรมกรมกำกงกรรมการดูแลให้เป็นสัดส่วนให้ดีเอ่อเพื่อสถานีของเราจะได้อยู่นาน